สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัยทหารคนชอบเล่าคลิปนี้เรามาฟังเรื่องราวของหลวงพ่อกลวยชุดินทโรแห่งวัดโคศิ ต, ตารามตาบลบางขุดอำเภอสักบุรีจังหวัดชัยนาทกันบ้างนะครับถึงเรื่องอัศจรรย์ที่เปิดเผยเป็นครั้งแรกในรอบ36มปีแยกจิตเข้าแฝงร่างศิษย์ได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ศิษย์ผู้แปลงร่างเป็นจระเข้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโดยได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากหนังสือเรื่องเล่าเคล้าปฏิหารตํานานวัตถุมงคล โดยคนขลังคลังวิชาของคุณตรพลนาคสมบูรณ์ผู้เขียนและผู้แต่งเจ้าของลิขสิทธิ์เริ่มต้นที่จักใจผู้เขียนผู้เขียนจะทําหนังสือนี้ขึ้นเพื่อนําเสนอข้อมูลเกิดประวัติตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับพลังอํานาจจิตและเรื่องลี้ลับของหลวงพ่อ ก, กวยจุตินธโรรูปแบบการนําเสนอเป็นไปในแนวรวดโผลติดริสเป็นความชอบส่วนตัวผู้เขียนมาแต่ไวเยาว์ขอนําเสนอเรื่องราวแบบไม่อ้อมค้อมเสียเวลาไม่ต้องหาเหตุผลอ้างอิงทำให้เสียอรรถรสในการอ่าน หากท่านสนใจเรื่องราวแนวอิทธิฤทธิ์ลี้ลับอำนาจจิตเรื่องราวอีกแง่มุมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่งตางๆที่ผู้เขียนเคยได้รับรู้มาในอดีตเชื่อว่าถึงวันนี้ข้อมูลเหล่านี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อให้ผูดด้ที่เคารพในหลวงพ่อโกยทุกท่านได้ศึกษารับรู้อย่างแท้ จ, จริงเป็นเรื่องน่าเสียดายหากปล่อยให้เรื่องเหล่านี้เลือนหายไปผู้เขียนรวบรวมเรื่องราวในหลากหลายแงยม่มุมทั้งชีวประวัติปฏิ ป, ปทาของหลวงพ่อตลอดจนวัตถุมงคลบางส่วนรวมถึงเรื่องราวอภินิหารเหนือธรรมชาติหลากหลาย ทั้งนี้หากการเขียนที่ตรงไปตรงมาของผู้เขียนไปกระทบหรือทําให้ท่านใดไม่ถูกใจก็ต้องกราบขออภัยด้วยโดยอุปนิสัยผู้เขียนเป็นคนตรงโถงผางเสียงดังไปบ้างและท่านที่เคยรู้จักพูดคุยย่อมรู้ใจกันดีอยู่บ้างเพราะหากสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าขอยกเว้นความเกรงใจในสิ่งผิดไว้เพื่อข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิทธิหลวงพ่อกวยทุกท่านที่สนใจใคร่รู้ประวัติและปฏิปทาของหลวงพ่อกลวยอย่างแท้จริง โดยส่วนตัวผู้เขียนมีความเคารพศรัทธาหลวงพ่อ ก, กวยเป็นเวลานานกว่า20ปีรู้จักหลวงพ่อครั้งแรกจากบทความของอาจารย์สมจิตเทียนจันน้ำปากกาเท่าสุพรรณซึ่งถือเป็นครูให้ความรู้แก่ผู้เขียนได้รู้จักหลวงพ่อ ก, กวยและยังคงให้ความเคารพอยู่ตราปัจจุบันแม้ไม่ได้พบเจอมานานนับปีท่านได้บอกเล่าชี้แนะแก่ผู้เขียนหลายเรื่องในสมัยเริ่มต้นสนใจศึกษาท่านผู้นี้ถือเป็นผู้มีขุนูปการเผยแพร่กิจคุณของหลวงพ่อ ก, กวยชุตินทโรวัดโคสิ ต, ตาราม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจบจนทุกวันนี้ปัจจุบันมีผู้เคารพศรัทธานในหลวงพ่อกวยมากมายทั่วประเทศปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากบทความข้อเขียนของท่านผู้นี้ส่วนผู้เขียนอ่านเรื่องราวของหลวงพ่อครั้งแรกราวปีพุทธศักราชสองพต่อมาได้เดินทางไปกราบร่างและรูปหล่อของท่านที่วัดโคศิ ต, ตารามมีโอการสอบถามพูดคุยกับผู้ที่เคยพบหลวงพ่อด้วยความศรัทธานในองค์ท่านแม้เวลานั้นมีปัจจัยไม่มากเป็นเพียงเด็กหนุ่มต้องของเงินพ่อแม่ ยังไม่ไวายหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาบูชาการเดินทางไปวัดโคสิตารามเวลานั้นไม่สะดวกนักต้องโดยสารรถประจําทางด้วยยังไม่มีรถยนต์เป็นความทรงจําที่มีคุณค่าเมื่อคิดย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นครั้งแรกที่ได้ไปวัดโคสิตารามยังไม่เจริญเช่นทุกวันนี้วิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตยังเป็นไม้ทุตโส ม, มากจําได้ว่าเมื่อมองขึ้นไปเห็นคื่อไม้ที่หลวงพ่อลงยันกันไฟกันฟ้าไว้ภายหลังบูรณะปรับปรุงใหม่เป็นปูนซีเมนแข็งแรง สคนกรุงเทพได้ไม้ลงยันของหลวงพ่อไปป้ายบอกชื่อวัดโคสิตารามยังเป็นป้ายไมายขึ้นเสาอยู่หน้าวัดและได้เดินทางไปกราบครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อกวยเช่นหลวงปู่เย็นวัดสะเปลียนหลวงปู่บุตราวัดชูศรีหลวงพ่อปรงวัดธรรมเจดีทั้งได้พบสิทธิ์พระสงฆ์ของหลวงพ่อหลายรูปได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลวงพ่อเช่นพระอาจารย์สแสวงวัดหนองอีดุกพระอาจารย์ตีสมัยอยู่สนักสงเขาเขียวหลวงพ่อบุญสรงวัดวิเศษชัยชาญ ต่อมาญาติผู้หนึ่งชวนให้ไปร่วมสร้างเมนและมนทบประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยกับหลวงปู่เย็นนวัดหัวเด่นทำไม่ได้รู้จักพระอาจารย์สมานซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเด่นในเวลานั้นโชคดีที่ได้พบสิทธิ์คาววะของหลวงพ่อเช่นอาจารย์เมาส์อยู่หน้าวัดจันเจริญเสหลุงหล่อนแย้มทับลุงรวยและอีกหลายท่านที่เวลานั้นยังมีชีวิตอยู่ทำไม่ได้ทราบข้อมูลพอสมควรยิ่งสอหาข้อมูลทำให้เกิดความศรัทธานในหลวงพ่อเป็นเท่าทวี ตลอดเวลาผู้เขียนพยายามรวบรวมข้อมูลในหลายด้านข้อมูลหลายส่วนขาดผู้นํามาเผยแพร่ต่อความรู้ที่แท้จริงคงถูกเก็บงำํำรู้กันเพียงคนวงในใกล้ชิดหลวงพ่อเท่านั้นตลอดเวลาที่ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลบอกตามตรงไม่เคยท้อแม้ยากลําบากต้องติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดคิดเสมอว่าหากเขียนเรื่องไม่จริงหรือรู้มาในด้านเดียวแล้วนามาเขียนส่งเดชถือว่าหลอกลวงเป็นบาปกรรมจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องดังได้นํามาเสนอในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคู่กายมาหลายปีประสบเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อหลายครั้งในอดีตเรื่องราวประสบการณ์ของผู้เขียนในบางเรื่องอาจารย์สมจิตเทียนจันทร์หรือเท่าสุพรรณเคยขอนําไปเผยแพร่ในบทความของท่านเวลานั้นผู้เขียนมั่นใจเหลือเกินว่าหลวงพ่อกลวยท่านยังไม่ไปไหนยังคงอยู่ดูแลเหล่าศิษย์ด้วยเมตตาแม้ในทางรูปธรรมท่านได้ล่วงลับดับขันไปแล้วนานปีแต่ดวงจิตในโลกทิพย์ของท่านยังอยู่คุ้มครองช่วยเหลือด้วยความระลึกเมตตาที่ท่านเคยช่วยเหลือ จึงอยากเผยแพร่เกียรติคุณของท่านด้วยใจบริสุทธิ์ไม่มีเจตนานำพระเครื่องของตนเองมาสอดใส่เพื่อหวังออกให้ชาวบูชาวัตถุมงคลในอนาคตปัจจุบันวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อกลวยเป็นที่นิยมสอหาไม่ต้องพึ่งพาการเขียนเพื่อส่งลูกต่อให้ใครพระหากว่าหลวงพ่อไม่เก่งจริงให้เขียนเพียงใดสุดท้ายผู้คนก็ลืมเลือนไม่สนใจสอหาแน่นอนปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยเพิ่มมูลค่าสะสมสูงขึ้นหลายเท่าตัวหากเทียบกับเมื่อปีพุทธศักราช2533 ผู้ขี่ยังจําได้ดีสมัยนั้นเหรียญกลมรุ่นหนึ่งสภาพสวยเรียญละ 2,500 บาทปัจจุบันเหรียญกลมรุ่นหนึ่งสภาพสวยคนหาเช้ากินข้ามบูชาได้แต่ในความฝันหลวงพ่อโวยชุดตินเทโรวัดกสิทธารามเป็นพระคณาจารย์ยุคกลางมีชื่อเสียหลังเกือบพุทธกาลหลวงพ่อเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีการตีพิมพ์เสนอเรื่องราวเป็นรูปเล่มมาแล้วหลายคราวเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคล เรื่องราวที่ผู้เขียนนําเสนออัจต่างไปบ้างข้อมูลหลายส่วนเป็นข้อมูลที่รู้กันในหมู่นักเล่นรุ่นเก่าจึงได้รวบรวมนําเสริมเพิ่มเติมด้วยเป็นเรื่องราวน่าสนใจควรบันทึกไว้ให้รับรู้เนื้อหาบางช่วงบางตอนหากขัดแย้งกับข้อมูลผู้ใดผู้เขียนขอกราบขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยใจจริงขอพูดอย่างเปิดใจตรงนี้ว่าผู้เขียนตั้งสัจจะต่อหน้ารูปห ล, ลอลวงพ่อว่าจะนําเสนอข้อมูลของท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงพุทธาณิสเอาประโยชน์ใส่ตัว ตั้งตนเป็นเซียนให้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยใดๆทั้งสิน้นหากข้าพเจ้ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ไม่กระทําจริงดังให้สัจจานี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีอันเป็นไปวิบัติฉิบหายทานตาในการบัดนี้ห น, นสือเล่มนี้หากมีประโยชน์หรือมีอ น, นิสง์ผลบุญกุศลใดอันพึงมีพึงได้จากเจตนาบริสุทธิ์ที่ได้กระทํานี้ขอทิดกุศลทั้งหมดถวายแด่หลวงพ่อกวยชุตินเทโรวัดโคสิ ต, ตารามองอาจารย์ที่พู้กินเคารพยิ่งสาธุไตรพลนาคสมบูรณ์คนขลังคลั ง, ลงวิชา ประวัติและชาติภูมิหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคศิตตารามตำบลบางขุดอำเภอศักบุรีจังหวัดชัยนาทท่านเกิดวันพฤหั ส, สบดีที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2448ขึ้นหกข่ำเดือน12บสองปีมะเสง็งในสกุลปั้นสนตระกูลท่านพื้นเพเป็นคนห้วยบอดวัดหนองอิดุกเป็นชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นหลักบิดานา้ำพตุย้ยปั้นสนมารดานา้ำแม่ตวนเดชมา มีพี่น้องร่วมอุทธร์ดังนี้ 1. ในตุ้บันสน 2. ในคาดปั้นสน 3. ในชื้นปั้นสน 4. นางนาคปั้นสนและ 5. พระกวยชุตินทโรในวงเล็บสกุลปั้นสนหลวงพ่อกวยในวัยเด็กท่านเรียนประถมอักษรก อ, อ, ก อ, ก อ, อกขอกับหลวงปู่ขวดวัดบ้านแคท่านเป็นคนความจำเป็นเลิศศึกษาหาความรู้ไดรวดเร็วทั้งยังสามารถท่องบทสวดมนต์ต่างๆได้ทั้งที่มีอายุเพียง6 7็ดขวบ หลวงปู่ขวดถ่ายทอดสอนสิษย์พวิชาให้แก่เด็กชายกลวยเต็มความสามารถด้วยท่านหวังว่าในภายหน้าเด็กชายกลวยผู้นี้คงได้เป็นกําลังสําคัญในพระศาสนาสืบไปต่อมาหลวงปู่ขวดวัดบ้านแคถึงแก่มรณภาพลงบิดามารดาจึงนําเด็กชายกลวยมาฝากเรียนหนังสือเพิ่มเติมจากพระอาจา ร, รย์ดําวัดหัวเด่นซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดบ้านแครมากนักต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดเพล้าวว่ากันว่าท่านไม่ได้ความรู้ใดเพิ่มเติมเลย ด้วยความรู้ทั้งหลายท่านได้เรียนรู้จนเจนจบมาแต่ครั้งศึกษากับหลวงปู่ขวนและพระอาจารย์ดำเด็ชกชากลวยมีความรู้เหนือเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกันทั้งตัวไทยตัวขอมท่านเขียนได้แตกฉานไม่ติดขัดภายหลังท่านเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากไปรู้เรียนจึงตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาช่วยงานบิดามานดาทำไรทํานาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามวิถีชาวบ้านสมัยนั้นช่วยเหลือครอบครัวเรื่อยมาจบจนอายุย่งเข้าวชิชาการ ท่านเคยเล่าว่าขณะไปทําไร่ทํานาใจคิดถึงวัดคิดถึงหลวงปู่ขวดองค์อาจารย์ผู้เท่าของท่านเสมอไม่เคยลืมจากข้อมูลที่ค้นคว้าและคําบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่เล่าว่าอุปนิสัยส่วนตัวของหลวงพ่อท่านเป็นคนพูดน้อยถามคําตอบคําเป็นคนไม่ค่อยส่งเสิงกับใครทุกวันท่านชอบออกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช้ชีวิตเงียบสงบชอบนั่งตามใต้ร่มไม้ใหญ่เงียบๆท่านเป็นคนใจนักเลงไม่กลัวใครแต่ตัวท่านไม่ใช่นักเลงเกเก ะ, ะร้ารานใคร ไม่ชอบกินเล้าเมายาสังสรรเท ห, หาหลวงพ่อเคยเล่าว่าท่านเป็นคนสนคือซุกสนทั้งมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึง่งท่านชอบยิงกระสุนทั้งยิงยิงได้แม่นยำ ม, มากเรียกว่าหากมีนกบินมาท่านสามารถยิงนกตกได้โดยไม่ต้องเลงท่านยังใช้ความสามารถพิเศษนี้ให้เป็นประโยชน์กล่าวคือสมัยหนุ่มท่านชอบออกเดินตรวจภัยในหมู่บ้านยามค่ําคืนหากบ้านไหนจุดฟืนไฟทิ้งไว้เผลอหลับไปอาจเกิดอันตรายหรือลืมปิดประตูหน้าต่างยามค่ําคืน เมื่อท่านเห็นจะใช้กระสุนยิงใส่ข้างฝาเรือนหรือยิงเข้าทางหน้าต่างเพื่อเตือนให้เจ้าของบ้านรู้ตัวหากเผลอหลับไปก็ให้ตกใจตื่นขึ้ น, นมาตัวท่านจะร้องเรียกเตือนเจ้าของบ้านได้ทราบท่านปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาจนเป็นที่รู้กันดีในย่านนั้นจากข้อมูลเก่าของอาจารย์สมจิตบันทึกไว้ว่าหลวงพ่อกวยท่านเคยเล่าให้คุณย่าชวนเทียนจันคนหัวเด่นเป็นพี่คุณาาย่าฉายญาติของอาจารย์สมจิตเทียนจันคนที่ดูแลท่านก่อนมรณาภาพญาตชวนเทียนจันอายุมากกว่าหลวงพ่อกวยสาถึงสปี ท่านได้เล่าถึงมูลเหตุการเข้าอุปสมบทโดยไม่คิดสึกไปครองเพศคารวาสว่าในวัยหนุ่มท่านเคยมีความรักใคร่ฉันนุ่มสาวโดยตัวท่านรักใคร่ชอบพอกับสาวนางหนึ่งในวงเล็บท่านไม่ได้บอกชื่อตามประสาหนุ่มสาวมาพบกันได้ก็ต้องแอบหลบซ่อนท่านเล่า ว, ว่าตัวท่านเข้าหาสาวคนรักโดยปีนหน้าต่างเข้าไปหาคืนหนึ่งได้นัดแนะกับสาวคนรักว่าในเวลากลางคืนท่านจะแอบปีนเข้าไปหา บางอื่นคืนนั้นเป็นคืนเดือนงายแสงจันทร์ส่องสว่างท่านจึงเกรงว่าพ่อของสาวคนรักอาจเห็นได้ท่านจึงแอบซุ่มรอคอยจนเดือนตกคล้อยล่วงลับไปซึ่งเป็นเวลาดึกมากแล้วทั้งฝ่ายสาวคนรักเมื่อคอยนานเกิดเผลอหลับไปผมเพายุ่งเหยิงผ้าผ่อนหลุดลุย่ยนอนอ้าปากค้างน้ำไหลไหลเมื่อท่านแอบย่องเข้าถึงห้องนอนสาวคนรักท่านกลับพบเห็นสภาพสาวคนรักที่นอนหลับไหลไร้สติเมื่อมองดูเผินๆไม่ต่างอะไรกับศพคนตายไม่เหลือความสวยสดงดงาม เหตุนี้ทําให้ท่านเกิดสลดสังเวชใจขึ้นมาในทันทีท่านจึงตัดสินใจกลับออกมาจากบ้านสาวคนรักยังหดหูใจจากวันนั้นท่านไม่เคยกลับไปหาหรือติดต่อกับเธอผู้นี้อีกเลยและท่านก็ไม่สนใจสตรีนางใดอีกด้วยเห็นสัจธรรมนี้เป็นปฐมเหตุที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายการครองเรือนในวิถีคารวะแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ยินดีในกรรมาคุณตั้งแต่สมัยยังหนุ่มดูไปเรื่องราวของหลวงพ่อไปพร้อมกับเรื่องราวของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคราวเห็นสนมนางนายนอนหลับดูน่าอุจจาร ภหลังเกิดความเบื่อหน่ายเพศคารวาจจึงตัดสินใจออกบทค้นหาสัจธรรมหลวงพ่อท่านได้เห็นในความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตดังนี้ภายหลังท่านจึงตัดสินใจเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเข้าสู่รุ่มกาสาวพัทไม่ยังเข้าสู่ไว้หนุ่มหลวงพ่อเคยออกปากกับบิดามารดาว่าหากตัวท่านได้บวชเมื่อไรท่านจะขอบวชไม่สึกเมื่ออายุครบบวชประกอบกับความเบื่อหน่ายในเพศคารวาจทั้งพี่น้องต่างก็แข็งขันการงานสามารถดูแลบิดามารดาได้ทั้งนี้ท่านได้บอกกับบิดามารดาว่า ถ้าจะบวชขอให้บวชที่วัดไม่ให้จัดพิธีใหญ่โตไม่ต้องมีขบวนแห่แห่ให้เปลือกเงินเปลืองทองเดยท่านให้เหตุผลที่ครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนเอาไว้คือหลวงปู่ขวดวัดบ้านแครและพระอาจารย์ดำวัดหัวเด่นสั่งสอนท่านไว้ว่าพระเทศก็ต้องรู้จักเวลาผู้ศรัทธาก็ต้องรู้จักกำลังท่านตัดสินใจเข้ารับการอุปสมบทณนะพระอุบโบสถวัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสักบุรีจังหวัดชัยนาทเมื่อวันจันทร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2468 เวลา 15.17 นเวลานั้นท่านมีอายุ20สิปีได้รับฉายาส่งว่าชุตินทโรแปลว่าโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกหนักไปด้วยกิเลสตัณหาหรือโลภโกรธหลงทั้งสิน้นถ้าผู้ใดตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงซึ่งฝั่งพระนิพพานโดยมีพระอุปัชฌาและพระคู่สวดดังนี้พระอุปชัชฌาพระชัยนาทมุนีพระกรรมวาจารย์หลวงพ่อปาวัดโบสถ์พระอนุสาวนาจารย์พระอาจารย์ริ่ง ภายหลังอุปสมบทแล้วท่านกลับประจำพรรษาอยู่วัดบ้านแค่เวลานั้นหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาส ด, ดูแลอยู่ต่อมาหลวงพ่อเริ่มฝึกหัดเทศแหละเวสันดรชาดกกันกุมารฐานกันว่ากันว่าในพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีใครเทศแหลได้เสมอท่านต่อมาท่านเริ่มสนใจศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและสายเวทวิทยาคมในอดีตศักบุรีเป็นเมืองบ้านนอกห่างไกลความเจริญการสัญจรไปมาลําบากเพราะเป็นเพียงเมืองเล็ก การช่วยเหลือทางสาธารณาสุขยังขาดแคลนลำบากยามชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไกลมือหมอเหลือเกินเห็นนี้ท่านจึงเริ่มสนใจศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณท่านสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยมด้วยเมตตาไม่ว่าดึกดื่นอย่างไรหากมีชาวบ้านเจ็บป่วยกลางดึกมาขอความช่วยเหลือท่านจะสงเคราะห์ช่วยเหลือทันทีไม่เกี่ยงงอนนี่คือความเมตตาของท่านที่มีต่อชาวบ้านแมนโวควายซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการทำมาหากินเกิดหลมเจ็บเขามาขอให้ท่านช่วยเหลือท่านก็ช่วยทุกรายไป จากข้อมูลเท่าที่เคยสอบถามซึ่ช่วงแรกของการบวชหลวงพ่อท่านก็สนใจศึกษาวิชาอาคมอยู่บ้างเช่นเดียวกับพระสงฆ์ทั่วไปในสมัยนั้นที่พอบวชเรียนมาก็สนใจวิชาอาคมบ้างเพื่อใช้คุ้มตัวคนรุ่นเก่าเล่าสืบต่อกันมาว่าเดิมหลวงพ่อกวยท่านก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่หลังจากท่านไปศึกษาวิชาจากทางเหนือกลับมาหลวงพ่อท่านยิ่งพูดน้อยสงบคำมากขึ้นไปอีกทั้งเก็บตัวลี้ลับไม่ยุ่งส่งสิงกับใครท่านมักปิดกุฏิเงียบจ อ, อกมาเมื่อเศรษฐกิจสงที่จําเป็น เมื่อทำกิจเสร็จเรียบร้อยท่านจะกลับเข้ากุฏิปิดประตูเงียบเช่นเดิมพระอาจารย์ทางเหนือที่ท่านเดินทางไปรเรียนนี้คือเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาเกี่หลวงพ่อมีหลายท่านครูบาอาจารย์ใดดีท่านจะเดินทางไปขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ไม่ว่าจะต้องเดินเท้าไกลเพียงใดต้องบุกป่าฝ่าดงยากเข็นเพียงไรท่านเดินทางดันโดนไปเรียนทั้งเส้นเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ท่านเรียนทุกแขนง ตัวอย่างวิชาเกี่ยวกับคุณไสยต่างๆหลวงพ่อท่านเรียนครบทุกด้านทั้งวิธีกระทําวิธีแก้วิธีกันเรียนเพื่อให้รู้วิธีที่จะใช้กระทําเพื่อจะได้รู้วิธีป้องกันและแก้ไขได้ถูกดังคําโบราณว่ารู้เขารู้เราตามปกติเพื่อเรียนวิชาทางคุณไสยมืดําจําเป็นต้องปล่อยคุณไสยเป็นประจำวิชาประเภทนี้เป็นวิชาร้อนเรียนแล้วต้องทําต้องปล่อยเพื่อไม่ให้วิชาที่เรียนมากินตัวหรือเข้าตัวตามความเชื่อโบราณ พอถึงเวลาต้องปล่อยของเขาจะปล่อยไปตามกระแสลมคุณนสาประเภทนี้เรียกลมพัดลมเพหมายถึงเมื่อลมพัดมาก็โดนหมดไม่เลือกใครดวงตกจะโดนของที่เขาปล่อยมาตามสายลมการกระทําเช่นนี้เป็นบาปหลวงพ่อท่านไม่ทําท่านแก้โดยการปล่อยของใส่ลูกมะละกอเป็นที่รู้กันในหมู่ศิษย์ยุคเก่าว่าต้นมะละกอของหลวงพ่อห้ามกินเด็ดขาดภายหลังเข้าสู่วชาราท่านละทิ้งวิชาเหล่านี้ท่านว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วพวกที่ทําได้จริงล้มตายไปเกือบหมดแล้ว วิชาเหล่านี้ไม่ต้องนํามาใช้อีกต่อไปแล้วภายหลังท่านได้ตัดต้นมะละกอทิ้งมุ่งหน้าจะเดินพระกรรมฐานและเสกวัตถุมงคลพระสงเคราะหสิทธิ์หมายเหตุจากการสอบถามจากสื์ของหลวงพ่อกวยทราบว่าคุณใส่ที่ปล่อยมาตามกระแสลมเรียกว่าลมพัดลมเพไม่ใช่ลมเพลมพัดจึงนําเสนอไปตามข้อมูลที่ทราบ ม, มาดังนี้เกี่ยวกับการปกครองและสมณศักดิ์การดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อหลวงพ่อกลวยบวช ด, ด้วยเรา18พันษาราวปีพุทธศักราชสอ8 4 ชาวบ้านหนองอุดุกมันพระบุรุษท่านเป็นคนที่นี่ได้มานิมนต์ท่านให้ไปช่วยปกครองดูแลวัดอารีทวีวนารามชื่อเดิมวัดหนองอุดุกท่านรับนิมนต์เป็นการชั่วคราวเราหนึ่งพรรษาแล้วจึงกลับมาจําพรรษาอยู่วัดโคสิ ต, ตารามหรือวัดบ้านแค่เช่นเดิมต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดโคสิ ต, ตารามเมื่อวันพฤหั ส, สบดีที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2492เวลานั้นวัดโคสิ ต, ตารามมีสภาพชำรุดสุดโทม การปกครองวัดในช่วงแรกเป็นไปค่อนข้างลำบากทั้งเสนาสนะและสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภคต่างๆยังค่อนข้างจำกัดวัดโคสิตตารามเวลานั้นยังเป็นเพียงวัดจนจนขาดแคลนปัจจัยชาวบ้านในละแวกวัดโดยมากมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างความเป็นอยู่ไม่สู้ดีนักหลวงพ่อท่านจึงไม่อยากรบกวนญาติโยมการสัญจรสมัยนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงแรกนี้หลวงพ่อท่านจึงไม่ได้ก่อสร้างสิ่งใดอาศัยซ่อมแซมไม่พอใช้งานได้เพียงเท่านั้น ท่านเริ่มนำวิชาที่ร่มเรียนมาอนุเคราะห์ญาติโยมตามสาควรเช่นรักษาอาการเจ็บไข้ด้วยสมุนไพราอาบน้ำมนตหลวงพ่อเป็นที่พึ่งดูดร่มโพร่มไสช่วยปกป้องคุ้มครองชาวบ้านตลอดมาแม้นอันตราย จ, จากจนผู้ร้ายที่ชุกชุมออกจี้ปล้นชาวบ้านหรือชาวบ้านมีภัยเดือดร้อนต่างๆมักมาขอความช่วยเหลือจากท่านบ้านไหนโดนโจนผู้ร้ายลักขโมยวัวควายก็จะมาขอให้ช่วยบอกทิศทางที่จนหนีก็คือให้ท่านช่วยดูทางในให้หรือช่วยบอกขนทางแก้ไขต่างๆ หลวงพ่อท่านจะช่วยส่งเคราะหชาวบ้านอย่างสุดกำลังความสามารถบางคราวถึงขนาดต้องออกไปตามวัวควายหรือทรัพย์สินของชาวบ้านที่โดนโจรปล้นชิงไปด้วยตัวเองก็เคยปรากฏหลายครั้งสมณศักดิ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเป็นพระสมถะมักน้อยชอบสันโดษความจริงท่านต้องการเป็นเพียงหลวงพ่อธรรมดาของชาวบ้านท่านไม่สนใจในยศตำแหน่งหน้าที่ในทางสงเลยจนกระทั่งวันจันทร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2497หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระกรรมวาจารย์ หรือพระครูสวดในขณะนั้นสิทธิท่านเป็นถึงพระครูมีสมณศักดิ์สูงแต่หลวงพ่อยังคงใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายเร่มาต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นปฐมเมื่อวันพฤหั ส, ส บ, บดีที่5ธันวาคมพุทธศักราช2511มีเกร็ดประวัติเกี่ยวกับการรับสมณศักดิ์คราวนี้ว่าคราวแรกหลวงพ่อท่านไม่ยอมไปรับสมณศักดิ์ท่านอิดออดไม่ยอมไปเพราะไม่ต้องการรับตําแหน่งใดๆ คณะสิทธิ์และกรรมการวัดต้องอ้อนวอนขอท่านอยู่นานทั้งให้เหตุผลว่าเป็นตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานภายหลังหลวงพ่อท่านจึงยอมอ่อนผ่อนตามเดินทางไปรับสมณศักดิ์พิธีพระราชทานสมณศักดิ์จัดขึ้นที่วัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคราวนั้นหลวงพ่อเดินทางไปกับหมอเฉลียวช่างสมานหรือพระอาจารย์สมานณสุรินโดยขอแรงในเป๋ช่วยขับรถพาหลวงพ่อไปในเป๋ผู้นี้มีฐานะไม่ดีนักแต่มีน้ำใจช่วยเหลือหลวงพ่อ ช่วงจอดพักรถในเป๋บอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมจนเหลือเกินไม่มีเงินเลยช่วงที่พูดมีแค่หลวงพ่อกับในเป๋นั่งอยู่ด้วยกันหลวงพ่อหันมาบอกในเป๋ว่าไอเป๋มึงฟังนะสองกับเกท่านพูดเพียงเท่านี้แล้วนิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกในเป๋พอได้ฟังก็เงียบเสียไม่บอกใครแกนึกตีคําพูดหลวงพ่อไปซื้อหวยเอาเลขส1บเพราะหลวงพ่อบอกว่าสองกับ9ไม่ใช่29่ก้แกมั่นใจถึงขั้นขอหยิบยมิมเงินญาติมาซื้อหวย ปรากฏว่าแกถูกสองตัวออ11ตรงๆได้เงินไปหลายหมื่นบาทในสมัยพุทธศักราช2511นหก้ว่าแกได้เงินทําทุนสร้างอาชีพได้พระหลวงพ่อเข้าใจว่าแกคงมีโชคหลวงพ่อจึงเมตตาสงเคราะห์ภายหลังฐานะดีขึ้นในเป๋ไม่เคยลืมหลวงพ่อเลยทราบว่าหลวงพ่อได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูคราวนี้ทางกรรมการวัดจัดให้มีงานฉลองสมณศักดิ์ของท่านด้วยเอาละครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในตอนหน้า เราจะไปตามทําความรู้จักกับครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้ท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับชอบคํานี้จังเลยไม่ตัดสินใจจะเดินไปข้างหน้าก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอแล้วก็เช่นเดิมครับขอทุกท่านร่ํารวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดํารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ